เรื่องที่สองดังเดกกล่าวแล้วว่าวินัยตั้งอยู่บนฐานของธรรมหรือธรรมะและเพื่อธรรมะแต่แยกออกเป็นคนและระบบเหมือนเป็นเรื่องต่างหากกันธรรมหรือธรรมะเป็นเรื่องของความจริงแท้ในธรรมชาติส่วนวินัยเป็นเรื่องสมมุติของมนุษย์พอถึงตอนนี้พูดต่อไปอีกว่า วินัยใช้สมมุติมาจัดการหนุนธรรมคือธรรมะได้ถ้าพูดเป็นสำนวนภาษามนุษย์ตามสมมุตินั้นก็บอกว่าเราเอาวินัยมาบังคับธรรมคือธรรมะหรือไม่จําเป็นต้องรอธรรมคือธรรมะก็ได้ขอให้ดูตัวอย่างขอพิจารณานี้ว่าคนทํากรรมชั่วฝ่ายธรรมะว่ามีกฎธรรมชาติเป็นกฎแห่งกรรม เขาจะได้รับผลตามกรรมของเขาแต่วินัยไม่รอวินัยที่เป็นกฎมนุษย์จึงตั้งกรรมสมมุติหรือกรรมสมมติขึ้นมาและนำผู้กระทำความผิดเข้ามาในกลางที่ประชุมและลงโทษวินัยไม่รอธรรมะจึงไม่รอกรรมตามธรรมชาติวินัยจัดการทันทีด้วยกรรมสมมุติโดยใช้กฎมนุษย์ พร้อมกันนี้ก็มีคำทักท้วงติงเตือนชาพุทธอีกด้วยว่าในเรื่องอย่างนี้ยังมีชาพุทธที่วางท่าทีไม่ถูกต้องบางคนถึงกับพูดว่าครทํากรรมชั่วเราไม่ต้องทาอะไรเดี๋ยวเขาก็รับผลกรรมของเขาเองคนที่มองอย่างนี้แสดงว่าพลาดแล้วยังมองไม่ถึงความจริงหรือมองไม่ตลอดสายยังไม่เข้าถึงวินยัย ยังไม่ทั่วถึงธรรมทำไมจึงพูดอย่างนั้นขอให้มองดูความเป็นจริงพิจารณาเหตุผลให้ชัดเจนที่บอกว่ามีระบบธรรมชาติของธรรมคือธรรมะกับระบบสมมุติของวินยัยแยกเป็นสองระบบนั้นมีระบบธรรมชาติของธรรมหรือธรรมะกับระบบสมมุติของวินยัยแยกเป็นสองระบบนั้นพอพูดกันไปๆบางทีก็ชักเพลิน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 เหมือนเป็นกฎอื่นต่างหากไปแต่ที่จริงกรรมนิยามนั้นก็คือกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท ด, ดังที่ว่ามาแล้วเพียงแต่แยกออกมาพูดต่างหากเพื่อให้ชัดเจนเป็นด้นดานๆกันไปดังนั้นที่ว่าธรรมหรือธรรมะกับวินัยเป็นสองระบบนั้น แท้จริงก็แยกเพื่อความสะดวกในการพิจารณาเรื่องราวให้เป็นขั้นเป็นตอนพอมองกว้างออกไปให้คลุมทั้งหมดทั้งสิ้นระบบของวินัยก็เชื่อมกลืนเข้าไปในธรรมหรือธรรมะที่เป็นระบบใหญ่อันเดียวถึงตอนนี้ก็ต้องแยกว่าแยกที่ไหนอย่างไรและเชื่อมที่ไหนอย่างไรขอให้ดูง่ายๆ คนมีการเคลื่อนไหวชนิดที่ไม่เป็นไปเพียงเรื่อยๆลอยๆไม่เหมือนอย่างกิ่งไม้ใบไม้ที่ถูกลมพัดก็สั่นไหวแกว่วงไกวไปมาตามลมตามแรงอื่นข้างนอกไม่อช่อยู่ๆก็แกว่งขึ้นมาเองแต่คนสัน่นขาแกว่งแขนเองได้หรื อ, อยังว่าเมื่อชายคนหนึ่งเดินมาพอดีจังหวะกิ่งไม้ผุร่วงหลน่นลงมาถูกศรีรษะแตกบาดเจ็บ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 จะเอาอันไหนจะเอาจะทำอย่างไรเป็นตัวหันหน้านำแสดงที่พาแรงจูงใจความดีความชั่วโลภโทสะโมหะหรือตันหามานาทิฏฐิหรือที่ตรงข้ามเช่นเมตตาและปัญญาออกโรงมาแสดงตัวทําการต่างๆทั้งหลายเรื่องของคนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ตั้งแต่การตั้งสมมุติการวางกฎกติกาการบัญญัติ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 ปฏิบัติการให้การทำเหตุปัจจัยดำเนินไปจนเกิดผลที่ว่าจะให้สังคมดีมีธรรมหรือมีธรรมะยิ่งกว่านั้นอย่างที่ว่าเมื่อมีเจตนาที่ดีบริสุทธิ์แล้วทีนี้ปัญหาที่ทั่วชัดก็บอกปัจจัยต่างๆให้เห็นชัดไปทั่วแล้วเจตนาในทางวินัยก็จะตั้งวางลำดับการทำเหตุปัจจัยเหล่านั้นเหล่านั้นไว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 วินัยจัดการทันทีด้วยกรรมสมมุติโดยใช้กฎมนุษย์คำที่ว่านี้ถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วดังเช่นว่าถ้าพระเกิดทะเลาะ ก, กันขึ้นก็มีวิธีระ ง, งับอธิกรณ์คือดำเนินคดีเพื่อตัดสินความผิดและลงโทษกันโดยที่ประชุมสงทำกรรมที่บัญญัติจัดวางไว้เอามาทำให้เสร็จสิ้นไปไม่ให้ต้องรออยู่อย่างนั้น ถ้ามีคดีเกิดขึ้นแต่ไม่ดำเนินการก็อาผิดกับพระที่ไม่ดำเนินการอีกจะไปอ้างว่ารอให้กรรมจัดการพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตวินัยไม่ให้รอเพราะวินัยก็มีกรรมที่จะนำมาใช้จัดการได้ทันทีดูเรื่องสังฆกรรมต่างๆซึ่งรวมถึงนิฆหกรรมจำนวนมากในพระวินัยปิฎก เป็นอนว่ามีหลักที่เป็นระบบใหญ่สองอย่างคือธรรมหรือธรรมะกับวินัยในเรื่องของสังคมถ้าผิดวินัยจัดการทันทีหมายความว่าวินัยมีวิธีจัดตั้งสมมุติและดาเนินการตามสมมุติเพื่อให้ธรรมะสาเร็จเป็นผลในสังคมมีฉะนั้นในที่สุดถ้าเราไม่เอาใจใส่การปฏิบัติตามธรรม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 สงฆ์จะนำออกกรรมสมมุติตามวินัยมาใช้จัดการกับภิกษุนั้นทันทีการที่พูดอย่างนี้นับว่าเป็นํำนวนพูดในระดับหนึ่งทางนี้จะต้องไม่เข้าใจผิดไปว่ามนุษย์แยกตัวเองพ้นเหนือกฎธรรมชาติได้ความจริงมีเพียงว่าการจัดตั้งต่างๆโดยสมมุติและปฏิบัติการต่างๆในทางวินัยทุกอย่างนั้นที่แท้ก็คือความสามารถพิเศษของมนุษย์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 ที่จะยอมรับถือตามสมมุติและปฏิบัติตามบัญญัติที่ได้ตกลงวางไว้โดยพร้อมเรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระบบของวินัยนั้นจึงจะสำเร็จผลที่จะให้เป็นไปตามธรรมดังที่ประสงค์ด้วยดีทบทวนอีกทีว่ากรรมมีสองแบบคือ 1. กรรมในธรรมหรือธรรมะ ที่เป็นกฎธรรมชาติ 2. กรรมในวินัยที่มนุษย์ตั้งขึ้นโดยสมมุติหรือสมมติในทางวินัยถ้าพระธรรมผิดชุมชนคือสงก็มีกรรมสมมุติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นสิกขาบทที่จะนำมาใช้จัดการได้ทันทีแล้วต้องจัดการโดยไม่รอกรรมในกฎธรรมชาติ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 ประจักษ์แจ้งธรรมะถึงสัจจะสูงสุดตรัสรู้แล้วแต่หยุดแค่นั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่คือแค่ปัจเจ ก, กพุทธะหักอาศัยมหากรุณาเก้าไปใช้วินัยบัญญัติจัดตั้งและดำเนินกิจการในระบบสมมุติให้ชุมชนให้สังคมให้หมวลประชาชาวโลกได้รับประโยชน์จากธรรมะด้วยจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะรู้จักและได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาคุม้มจึงไม่ใช่แค่ถึงธรรมหรือธรรมชาติแต่จัดวินัยหรือสังคมได้ด้วย